ยี่ดีจ๋าตื่นเถอะตื่นได้แล้วนะ ชวนฉันไปไหนอีกแล้วชวนฉันไปตั้งแต่เช้าชวนฉันไปทำเรื่องของเธอแต่เธอไม่คิดบ้างเลยใช่ไหมว่าฉันเป็นคนตื่นสายว่าฉันทำงานเกือบเช้าเลย ้ฉันไม่แคอะไรแต่ฉันลุกขึ้นไม่ไหวก็หวังว่าเธอจะเข้าใจสิ่งเดียวที่ฉันขอเธอได้ไหมฉันขอนอนก่อนได้ไหมอีกสักแปดเดียวกันแล้วกัน I'll b r h a k y o We're s r o n